พระนั่งขอให้พวกเราทุกๆท่านเป็นครวัตญาติโยมอย่าได้ปล่อยประละเลยจนเกินไปเพราะชีวิตทั้งชีวิตของเราก็ปล่อยประละเลยมาพอสมผรแล้วเราควรจะตั้งใจใหม่ในเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็จะได้มีที่พึ่งทางด้านจิตใจเราก็จะได้คิดเออเราเออมาถึงคราวนี้แล้ว อ, อ่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 ลี้นี้หายไปได้ง่ายๆละเลือนไปได้ง่ายๆหลงลืมไปได้ง่ายเผลอเลอะไปได้ง่ายๆท่านต้องว่าให้ตั้งสติให้แ้มแข็งให้มีกำหนดจริงจังให้มีสติจริงจในลมหายใจเข้าออกนั้นให้ติด ต, ต, ตั้งสตินีไม่ใช่ว่านั่งเผลอเผอเมื่อเมือลอยๆยหลับหับตื่นตื่นแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องให้มีสติสมบูรณ์สติสัมปชัญญะจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้า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 เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นพื้นฐานเราก็รู้ได้ว่าวิธีการทําสมาธิหรือวิธีการทําจิตให้สงบนั้นทำอย่างไรแต่เราจะได้ทุกครั้งนั้นเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้นะอาถ้าเป็นครั้งหนึ่งจบแล้วก็เราไม่ต้องเอาผลงานวันนั้นไม่ต้องเอาอีกแต่กําหนดไปเรื่อยๆมันจะสงบหรือมันไม่สงบเราไม่ต้องคิดมันแต่เมื่อเราทําถูกทางแล้วมันจะสงบเองฮ